เรื่องเล่าขยาวขวัญห้องพักชั้นสี่สวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่ออัำ้ำวันนี้ผมมีเรื่องราวสยองขวัญที่เพื่อนของผมได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของทิวาเพื่อนสนิทที่เจอกับเรื่องราวที่ลืมไม่ลงโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าช่วงเย็นประมาณห้าโมงครึ่งทิวากับเพื่อนๆของเขากำลังเดินทางไปเตะบอลที่สนามหญ้าเทียมแห่งหนึ่ง ที่เขากับเพื่อนได้จองสนามกันไว้แต่ระหว่างทางที่จะไปถึงสนามบอลทิวาต้องแวะไปรับดรีมเพื่อนสนิทที่พักระแวกใกล้เคียงที่จะเดินทางไปสนามบอลตอนที่ทิวากําลังจะเดินเข้าไปหน้าหอพักของดรีมเขาสังเกตได้ว่ามีอะไรอยู่ที่ห้องพักชั้น4ี่ที่ระเบียงนั้นหันออกมาด้านข้างคนที่ผ่านไปผ่านมาจะมองเห็นภายในห้องตอนนั้นทิวาร์ได้สังเกตเห็นบางอย่างเลยจ้องไปที่ห้องพักชั้น4ี่เขาเห็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่ในห้อง พยายามโบกมือทักทายที่วาอยู่พอที่วาเห็นผู้หญิงสองคนกําลังโบกมือให้เลยโบกมือกับยิ้มกลับไปและที่วานึกได้ว่าห้องพักนั้นอยู่ติดกับห้องของดรีมแต่ไม่เอกใจอะไรรอดรีมได้ลงมาพอดรีมมาถึงที่วาเลยถามไปว่าเฮ้ยไอ้ดรีมสาวห้องข้างๆมึงอะจําดีนี่ว่าเมือเ่อกี้บอกไม้โบกมือทักทายกูใหญ่เลยเมื่อดรีมได้ยินแบบนั้นรีบปฏิเสธทันทีว่าสาวไหนกูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย กูพักที่นี่ได้3มเดือนยังไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูจากห้องข้างๆเลยนะดรีมตอบพอที่วาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งสงสัยว่าหญิงสองคนนั้นเป็นใครเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาอาจจะย้ายมาตอนที่มึงไม่อยู่พอดีหรือเปล่าช่วงนี้มึงกลับดึกด้วยเนี่ยที่วาพูดเออก็อาจจะใช่นะเพราะตอนดึกๆกูกได้ยินเสียงจากห้องข้างๆบ่อยๆได้ยินเสียงกําลังอาบน้ําบ้างหรือว่าทําอะไรไม่รู้เสียงดังเกือบทุกคืนเลยว่าพอที่วาได้ยินที่ดรีมพูดก็ไม่คิดอะไรเออไอ้ดรีมพอเล่นเสร็จเนี่ย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 ตอนที่ทิวามาถึงหอพักทิวาได้เงยหน้ามองไปที่ชั้นสี่อีกครั้งคราวนี้เห็นผู้หญิงในห้องสองคนยินตัวตรงดิกไม่ขยับหรือทําอะไรทิวาได้สกิดดรีมให้มองขึ้นไปที่ชั้นสี่เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นปะสองสาวกาลังมองมาทางเราอ่ะทิวาสกิดดรีมไหนวะกูไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ก็มืดแล้วเงาจากตึกข้างๆหรือเปล่ามึงยิ่งสายตาสั้นอยู่นี่พอทิวาได้ยินที่ดรีมพูดเขาไม่เชื่อว่าดรีมไม่เห็นผู้หญิงในห้องชั้นสี่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 ไม่เห็นจะได้ยินอะไรดรีมก็พยายามที่จะตั้งใจฟังว่ามีเสียงกรี๊ดจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรที่วานึกว่าตัวเองหูฝาดก็เดินไปแต่งตัวตามปกติแต่เสียงกรี๊ดก็ดังมาอีกรอบนี้ที่วานแน่ใจว่าได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากห้องข้างๆที่วาถามดรีมอีกว่าได้ยินเสียงกรีด๊ดหรือเปล่าดรีมก็ส่ายหัวที่วาได้เปิดประตูไปเคาะประตูห้องข้างๆเคาะไปได้สักพักก็ไม่มีใครมาเปิดห้อง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 พอที่วาได้ยินแบบนั้นยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่พยายามถามเจ้าของหออยู่หลายรอบจนเจ้าของหอถามที่วาว่าที่มีคนอยู่อ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงและอยู่กันกี่คนที่วาตอบ ก, กลับไปว่าผู้หญิงสองคนครับพอเจ้าของหอได้ยินพยายามถามต่อว่าผู้หญิงสองคนนั้นใช่ห้องชั้นสีหรือเปล่าที่วาพยักหน้าบอกกับเจ้าของหออีกว่าเห็นบกมือทักทายตั้งแต่เขายังไม่เข้ามาในหอพอเจ้าของหอได้ยินแบบนั้นรีบพูดทันทีว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่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 ทิวากับดรีมนึกว่าเจ้าของหออําเล่นเลยเขา้ากุญแจห้องชั้นสีเพื่อจะไปดูให้ชัดๆว่าไม่มีคนอยู่เจ้าของเลยอาสาไปเปิดห้องด้วยพอมาถึงหน้าห้องและเปิดประตูในนั้นไม่มีคนอยู่มีแต่เศษฝุ่นกับกลิ่นเหม็นอับทิวากับดรีมหน้าถอดสีทันทีพอรู้ว่าห้องข้างๆไม่มีคนอยู่ทิวาเลยขอตัวกลับห้องตัวเองก่อนดรีมก็ไม่ได้พูดอะไรกลับก็ห้องตามปกติตอนที่ทิวาได้ออกจากห้องนั้น ก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่พอพังจะเปิดไฟสว่างทั่วทั้งตึกนพอทิวาหันกลับไปมองห้องชั้นสี่ทิว่าเห็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่ที่ระเบียงกําลังยืนโบกมือให้และรอบนี้แสงสว่างของไฟทิว่าเห็นหน้าของผู้หญิงสองคนนั้นได้ชัดมากสองคนนั้นหน้าซีดผมยุ่งใส่เสื้อผ้ากเก่าๆผู้หญิงคนแรกที่ทิวาเห็นเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเต็มไปหมดผู้หญิงอีกคนก็มีเชือกคล้องอยู่ที่คอ สองคนมองมาที่ทิวาหน้าของผู้หญิงสองคนกำลังยิ้มกับโบกมือมาให้พอทิวาเห็นแบบนั้นก็หน้าถอดสีดรีบเดินออกไปไม่หันมามองอีกตั้งแต่ตอนนั้นมาทิวาไม่เคยมาเล่นบอลที่สนามบอล น, นั้นและไม่เคยเข้ามาห้องเรียมอีกเรียมเองก็อยู่ห้องได้ไม่ถึงเดือนก็ย้ายออกเพราะได้ยินเสียงประหลาดจากข้างห้องทุกคืนจนทนไม่ไหวเลยย้ายหนีออกไป หาชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ